ไปเทศที่อื่นนะคนฟังซีดีเดือนสองเดือนเลยภาวนาได้เยอะแยะเลยแยกขันไดอะไรอย่างงี้นะพวกเราก็ฟังมาเยอะแล้วเงี้ยก็ภาวนาเป็นที่หลวงพ่อสอนสอนหลักให้เรารู้หลักแล้วเราก็เดินด้วยตัวของเราเองไม่ใช่ลูกแง่ต้องเกาะอาจารย์ตลอดเวลา พอรู้หลักแล้วล้วก็ทาหนางเราเองภาหนาที่บ้านนะไม่ต้องไปที่อื่นวนะุ่นวายพวกไปเรียนหลายที่นะไม่เคยสำเร็จสักคนหนะึ่งไม่เคยเห็นเลยเพราะว่าเรียนสำนวนโวหารในการสอนเลยมันไม่เหมือนกันวิธีการไม่เหมือนกันเรียนแล้วสับสนอย่างพวกคนจีนนะช่วงแรกๆมา หน้าตา ง, งงมากเลยยกเว้นคอสหลังนี่นะพวกนี้เริ่มรู้เรื่องแล้วฟังซีดีฟังอะไรที่แรกเขาพวกต่างประเทศมาเรียนศาสนาพุทธในเมืองไทยเขางงไม่สํานักปฏิบัติมันเยอะเยอะบอกเขาว่าอย่าไปงงเลยคนไทยก็ยังงงเหมือนกัน <c oughs> แหละทุกสํานักก็พูดเหมือนๆกันอ้างตําราเล่มเดียวกันนะอ้างพระไตรปิฎกอ้าง เนื่องสติปัฏฐานสูตรนั่งเลยนาะคำพูดมันเหมือนกันบางคนเนี่ยถึงขนาดบอกว่าอาจารย์นั้นสอนเหมือนหลวงพ่ออาจารย์นี่สอนเหมือนหลวงพ่อพูดกันอย่างเงี้ยดูไงก็ไม่เหมือนเหมือนแต่คำพูดลีลาการดำเนินจิตมันไม่เหมือนกันอย่างหลวงพ่อเนี่ยจะเน้นเรื่องว่าเราต้องมีสมาธิที่ถูกต้องเสีย ก, ก่อน บางคนก็บอกให้มีสติอาไรๆมันไม่มีจริงหรอกสติก็ไม่ใช่อยู่ๆก็สั่งให้มันมีได้ซะที่ไหนสติเ็เป็นอนัตตาเราก็ต้องทำเหตุให้เกิดสติสติถึงเงีเกิดทำเหตุของสมาธิสมาธิถึงเงยเกิดถัดจากนั้นก็ทำเหตุให้เกิดปัญญาคือทำวิปัสสนากรรมฐานทุกอย่างมีเหตุมีผลทั้งหมดเลยไม่ใช่อยู่ๆก็บอกบอก อย่าไปยึดถืออะไรเลยน่พูดได้ทุกอย่างว่างเปล่าโลกนี้ไม่มีอะไรเนี่ยพูดเหมือนหมนกันโลกนี้ว่างอย่าไปยึดพูดได้นะแต่มันยึดนะ <c oughs> งันจะบอกว่าสอนเหมือนกันสอนเหมือนกันด้วยคำพูดออกแต่ <c oughs> เนื้อในจะต่างกันหลวงพ่อไม่เคยสอนให้ทำผลเลยนะหลวงพ่อจะสอนให้ทำเหตุและผลมันเกิด ทำเหตุยังไงให้เกิดสติทำยังไงจะมีศีลทำยังไงจะมีสมาธิทำยังไงจะเกิดปัญญาก็ทำที่เหตุทั้งหมดเลยถ้าเหตุสมควรแล้วผลมันก็เกิดขึ้นเองทำเหตุไม่สมควรทำไม่ถูกหรือทำไม่พอผลมันก็ไม่ได้อย่างที่ต้องการไว้ถ้ามึนะให้มีสติกสอนอยู่เรื่อยๆจำได้ไหมใครจะตอบได้ กรับเป็นตัวแทนว่มามันสิทำงานที่จะมีสติรู้สภาวะนเนืองเนืองมือนทำสติปัฏฐานเนรู้กายในกายเนืองเนืองรู้เวทนาในเวทนาเนืองเนืองรู้จิตในจิตเนืองนเนืองรู้ธรรมในธรรมเนืองเนืองได้อะไรได้สติแตนะ่ถ้ารู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางนะไม่มีความยิน ด, ดียินร้ย ถอดถอนความยินดียินไา้เสียได้นั่นั้นปัญญาจะเกิดในสติปัฏฐานเบื้องต้นบอกว่าให้มีเครื่องอยู่รู้ที่เครื่องอยู่หนึ่งๆกายเยกายานุนปัสสีวิหารติมีกายในกายเป็นวิหารธรรมอาตาปีมีความเพียนแผลดเผากิเลสสมปะชาโนมีสมปะชัญญะสติมามีสติ วินัยยะโลเกอพิชาโทมนะสะแล้วถอดถอดความยินดีร้ายในโลกคำว่าโลกก็คือรูปน้ำโลกไม่ใช่โลกข้างนอกโลกคือรูปน้ำนิ่งสิ่งที่เรียกว่าโลกก็คือรูปกันน้ำในสติปัฏฐานนะถ้าโลกอยู่ที่อื่นก็มีความหมายอย่างอื่นเป็นโลกทางภูมิศาสตร์อะไรอย่างนี้ก็ได้แปลว่าหมูสัตว์ก็ได้คว่าโลกไปอยู่บางที่แปลว่าหมูสัตว์ สัตว์ตัวเดียวยังไม่เรียกต้องหมูสัตว์แต่ในสติปัฏฐานนะครับว่าโลกคือรูปกนามถอดถอนความยิ น, นดียินร้ายในรูปนามได้นั่นแหละเรารู้ไปมีสติรู้ไปมีสัมมัชย์ยะสัมมัชย์ยะเป็นตัวปัญญาเบื้องต้นปัญญาเบื้องต้นตัวอาตาปีตัวความเพีย แผดเผากิเลสไม่ใช่เพียนอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ใช่เพียนเดินจงกรมนานๆแต่เพียนสู้กับกิเลสไม่ยอมให้กิเลสย้อมใจนั้นเดินจงกรมหามลูกหามค่ำก็ไม่เรียกว่าอาตาปีหรอกนั่งสมาธิหลายๆชั่วโมงก็ยังไม่ใช่อัตาปีจะเป็นอาตาปีเป็นความเพียนแผดเผากิเลสงั้นงานหลักคือเพียนเผากิเลสไม่ใช่เพียนเฉยๆเนี่ยมันมีนัยยะนะแต่ละคํา รู้กายได้กายกายในกายเป็นยังไงรู้เวทนาในเวทนารู้เป็นยังไงกายในกายก็คือเราเรียนรู้กายบางส่วนรู้กายบางอย่างแล้วเข้าใจแล้วก็เข้าใจกายทั้งหมดอย่างเรื่องของกายมีให้เรียนตั้งมากมายเราไม่ต้องเรียนมากมายเรียนนิดเดียวแค่เห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้ารู้ว่าร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่เราร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่เรา ร่างกายทั้งหมดย่อไม่เป็นเราละหรือรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนถ้าร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนไม่ใช่เราร่างกายทั้งหมดก็ไม่ใช่เราละเพราะทั้งวั น, งนมันก็มีแค่นั้ น, นร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งไม่ใช่เราทั้งวันมันก็มีอยู่แค่นี้ก็จะเห็นว่าร่างกายทั้งหมดไม่ใช่เราเรียนส่วนน้อยแล้ว ร, รู้ดูทั้งหมดนี่เรียกว่ารู้กายในกาย ถ้าพูดภาษาสมัยใหม่ก็คือการเรียนแบบสุ่มตัวอย่างเวลาทําวิจัยเวลาเราทํางานวิจัยเราไม่ได้เรียนเก็บข้อมูลทีเดียวทุกสิ่งทุกอย่างเก็บให้หมดไม่ใช่เราสุ่มตัวอย่างมาเรียนถ้าการเลือกตัวอย่างของเราเลือกได้ดีนะการวัดผลออกมาเนี่ยจะเข้าใจภาพรวมได้ใกล้เคียงความจริงที่สุดยังไม่ใช่ต้องเรียนทั้งหมดเลยอยากรู้ทัศนคติ ของคนเอเชียต่ออเมริกาเงี้ยไม่ต้องไปถามคนเอเชียทุกคนนะสุ่มตัวอย่างเอาถ้าเลือกตัวอย่างได้ดีก็จะได้ภาพรวมทั้งหมดเวลาจะมารู้รูปนามกายใจนะพุทธเจ้าเลือกตัวอย่างไว้ให้แล้วไปดูเอาในสติปัฏฐานนั่นคือตัวอย่างที่ท่านเลือกไว้ให้อย่างในกายท่านก็เลือกอะไรไว้ให้เลือกอย่างลมหายใจรู้อิริย บ, บทรู้สัมพัชัญญะรู้ความเป็นธาตุหนึ่ง แต่บางอย่างในกายเนี่ยจะเป็นเรื่องของสมถะนะต้องต้องแยกให้ออกในกา ย, ยานุปัสสนานยังมีส่วนของสมถะอยู่นะในเวทนานุปัสสนาเนี่ยท่านก็เลือกมาให้นะแทนที่จะต้องรู้ขันห้าทั้งหมดก็มารู้แต่เวทนานะเวทนาก็ไม่ต้องเรียนมากเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รูนะ้ถ้าตรงนี้ยังไม่พอใจดูละเอียดเข้าไปเป็นสุขแบบมีสิ่งเรา ให้มีความสุขเป็นสุขแบบไม่มีสิ่งเร้าอย่าเงี้ยดูรายละเอียดเข้าไปเป็นทุกข์แบบมีสิ่งเร้าเป็นทุกข์แบบไม่มีสิ่งเร้าดูเข้าไปก็ไม่มีอะไรมากมายหัดรู้หัดดูถ้ารู้กายนะก็จะเข้าใจทั้งกายทั้งจิตรู้เวทนาก็เข้าใจทั้งกายทั้งจิตรู้จิตจิตตานุปัสสนาก็จะเข้าใจทั้งกายทั้งจิตท่านสุ่มตัวอย่างมายัางอัศจรรย์มากเล ถ้าแจ่มแจ้งกันหนึ่งกนะ็จะเข้าใจทั้งหมดเพราะงันเวลาภาวนานะไม่ใช่เบื้องต้นดู ก, กายเบื้องปลายดูจิตดูกายจะถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้แต่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ไปตัดตรงที่จิตนะเวลาดูดูกายนี่แหละดูไปด้วยเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูรู้ว่ากายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เราใจที่เป็นคนดูก็ไม่ใช่เราเนะียสุดท้ายก็รู้ทางกายทั้งจิตเนะี่ยสมท่านสมตัวอย่างมาให้เราเรียน สบายๆคนหนึ่งคนหนึ่งไม่ต้องเรียนเยอะกรรมฐานสําหรับคนคนหนึ่งนะ่ะนิดเดียวนะไม่ต้องเรียนกรรมฐานเยอะแต่ไปดูว่าเราเหมาะกับกรรมฐานอะไรนะเช่นถ้าเราต้องการทําความสงบของจิตนะการฝึกทางจิตมีสองส่วนนะหนึ่งสมถมสกรรมฐานสองวิปัสสนากรรมฐานถ้าเราต้องการฝึกให้สงบนะเราก็ไปดูตัวเองว่าเราจะใช้กรรมฐานอะไร ถ้าเราจะฝึกให้เกิดปัญญาล้วก็ไปดูตัวเองว่าเราจะใช้กรรมฐานอะไรนะค่อยๆฝึกค่อยๆดูสังเกตช่วยตัวเองให้มากๆถามคนอื่นให้น้อยหลนะงพ่อเสียดายบางคนนะภาวนานดีๆถามคนโน้นทีถามคนนี้ทีนะเสียเสียนะเสียดายถามคนโน้นทีถามคนนี้ที เสียไปเลยกรมาถามนะหลวงพ่อสอนให้นะมากพอแล้วช่วยตัวเองให้มากๆาจังเกตให้เยอะถามดูคนจริตนิสัยตรงกับเราเรียนกับใครก็เรียนไปเรียนคนโน้นทีเรียนคนนี้ทีสับสนจะทั่งเรียนกับลูกศิษย์หลวงพ่อด้วยกันนะก็จะสับสนเพราะอะไรหลวงพ่อสอนลูกศิษย์เนี่ยไม่เหมือนกันสักคนเลย แต่ละคนก็มีแนวทางของตัวเองแต่มันเหมือนคนขึ้นภูเขาเขายังขึ้นไม่ถึงยอดกันเขารู้เส้นที่เขาเดินถนัดในเส้นนี้เราถนัดอีกเส้นหนึ่งเราเราไปเลือกถามคนนี้นะเราสับสนนะงั้นช่วยตัวเองให้เยอะหน่อยนะฟังที่หลวงพ่อสอนถ้าจะเลือกถามพี่เลี้ยงดูคนไในจริตนิสัยเข้ากันได้ ลองไปเรียนดูน ะ, จะเจริญขึ้นสติดีขึ้นศีล ส, สมาธิปัญญาดีขึ้นแล้คนเนี้ยเรียนไม่ใช่ถามคนนี้เสร็จนั่งก็ไปถามอีกคนหนึ่งด้วยคําถามเดิมแหละแล้วก็ถามอีกคนหนึ่งคลอดเช็คไปเรื่อยๆครอดเช็คสุดท้ายได้อะไรมาได้ความสับสนมาทําไมตอบไม่เหมือนกันแล้วเขาเดินคนละแบบอะเดินคนละแบบมันอยากให้เขาตอบเหมือนกันแก็รอเขาสิเราให้เขาขึ้นยอดเขาได้ก่อนแล้วค่อยมาถาม จะตอบได้เป๊ะๆ เ, เ, เลยจะตอบไม่ใช่แบบที่เขาเดินมานะจะตอบแบบที่เราควรจะเดินอย่างหลวงปู่ดูลเนี่ยตอบแบบที่เราควรจะเดินไม่ใช่ตอบแบบที่ท่านเดินมาหลวงปูดด่ดนทําสมถะด้วยพุโทโธใช้พุโทโธแล้วเจริญปัญญาด้วยกันดูจิตถ้าไม่ได้สอนแค่นี้บางคนท่านก็ไม่ได้สอนพุโทโธบางคนท่านก็สอนให้ดูกระดูกดูเส้นผมดูอะไรได้สมถะ แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนท่านก็ให้บริกรรมบางคนก็ให้เดินให้อะไรไปแต่ละคนท่านสอนไม่เหมือนกันหรือการเจริญปัญญาท่านสอนไม่เหมือนกันคนนี้ดูกายคนนี้ดูจิตสอนไม่เหมือนกันนี่ถ้าเราเรียนมั่วนะไม่รู้จะเอาอยัางไงอาจารย์นี้บอกให้พุโทโธอาจารย์นี้ให้หายใจอาจารย์นี้ดูพองยุบ ชาตนี้ขยับมือชาตนี้เดินโจกลมสุดท้ายกูไม่รู้จะเอาอยัางไนะงงงสํารวจตัวเองวิธีใดเหมาะกับเราเนะหมาะหรือไม่เหมาะไม่ใช่อยู่ที่ว่าทำแล้วเพลิดเพลินพอใจมีฤทธิ์มีเดชเหมาะหรือไม่เหมาะดูว่าทำแล้วมีสติไหมนะถ้าจะฝึกสมารถที่ทําแบบนี้จิตตั้งมั่นไหมหรือจิตสงบไหมนะแต่ละคนไม่มีเหมือนกันหรอก อยากเราอยากฝึกสติเนี่ยบางคนรู้กายบางคนรู้เวทนาบางคนรู้จิตได้สติเหมือนกันอยากให้มีศีลศีลตั้งใจงดเว้นไว้ไม่จะไม่ทำชั่วทางกายทางวา จ, จาศีลเริ่มจากเจตนาบิรัตเจตนางดเว้นถัดจากนั้นก็ฝึกสติไปรักษาจิตไว้มีสติรักษาจิตเราไม่ต้องรักษาจิตสติเป็นคนรักษาจิตมีสติรู้ทันจิตไปเรื่อยสติจะรักษาจิตเอง เวลาจิตชั่วนะสติจะปราบให้เองมีสติไปเรืจิตชั่วดีขึ้นดีขึ้นพอมีสติขึ้นมาไม่ทําผิดศีลทาผิดศีลได้เพราะกิเลสมันครอบ ง, งาทำไงจะมีสมาธิก็ต้องดูตัวเองถ้าทําสมาธิแบบสงบนะอารมณ์ที่ใช้ทํากรรมฐานให้จิตสงบทําสมถะกรรมฐานให้สงบเนี่ยไม่เลือกไม่เลือกอารมณ์ใช้ อารมณ์บัญญัติก็ได้เช่นใช้คําบริกรรมใช้การสวดมนต์อะไรใช้การคิดพิจารณาเช่นพิจารณาผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเองก็ดูกว่ามันไม่สวยไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยบางคนบอกว่าถ้าพิจารณาไม่สวยไม่งามเป็นสมถะถ้าพิจารณาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นวิปัสสนาไม่เป็นหรอกยังคิดอยู่นะเนี่ยคำสอนที่มั่วๆนี่เต้ไมไปหมดเลยนะสับใดยังคิดอยู่ไม่ใช่วิปัสสนา รูบาอาจารย์ที่เก่งๆแล้วท่านฟันธงเลยหลวงพ่อพุทธมีปัชนาเรื่องมาหมดความคิดรู้ไม่ใช่คิดเห็นรูปนามอย่างที่มันเป็นไม่ใช่คิดถึงมันเห็นอย่างที่มันเป็นหเห็นไตรลักไม่ใช่คิดเรื่องไตรลักษณ์เราก็ดูตัวเองว่าเราจะใช้กรรมฐานอะไรใช้การคิดพิจรารณาก็ได้ก็เป็นสมถะได้อารมณ์ของสมถะเนี่ยกว้างที่สุดนะไม่เลือกอารมณ์ทั้งหมดมีสามชนิด อารมณ์ที่หนึ่งเรื่ออารมณ์บัญญัติคือการคิดคิดนึกการพิจารณาอารมณ์อย่างที่สองเรื่องอารมณ์รูปนามรู้รูปรู้นามใช้ทําสมถะได้นะอารมณ์อย่างที่สคืออารมณ์นิพพานใช้ทําสมถะได้อย่างเดียวทําวิปัสสนาไม่ได้อารมณ์บัญญัติเนี้ยใช้ทําสมถะได้อย่างเดียวทําวิปัสสนาไม่ได้อารมณ์รูปนามหรอกที่ใช้ทําได้ทั้งสมถะและวิปัสสนานี่บางคนก็ยังมั่วอีกคิดว่าถ้ารู้รูปนามแล้วเป็นวิปัสสนา ดังนันถ้าเห็นท้องพองเห็นท้องยบเป็นวิปัสสนานีไม่เป็นหรอกจะเป็นวิปัสสนาได้ต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นรูปเห็นนามเป็นสมถานะเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามตัวจเป็นวิปัสสนานี่ต้องให้แม่นๆหน่อยยังก็มั่วเราก็ดูเอาทำไงใจเราจะสงบบางคนคิดถึงพระพุทธเจ้าเราก็อิ่มเอิบใจใจสงบเราก็คิดถึงพระพุทธเจ้าเรื่อยๆวันไหน ตื่นขึ้นมานะไม่รู้จะทําอะไรก็คิดถึงพุทธเจ้าอะไรเงี้ยบางคนคิดถึงความตายแล้วจิตสงบก็คอยคิดถึงความตายเป็นระยะระยะใจก็ไม่ฟุง้งซ่านมากนคนมันฟุง้งซ่านเพราะมันลืมตายไม่คิดว่าตัวจะตายนะคิดวุ่นวายอยู่กับโลกมากมายถ้ารู้ว่าจะตายนะก็จะไม่วุ่นวายอะไรมากหรอกใจมันจะค่อยๆหดตัวลงมาใจมันสลดสังเวชแต่อย่างพวกเรานะถ้ายินทียอ่อนนะ เรารู้ว่าเราจะตายเมื่อไหรนะเราจะเริ่มตายตั้งแต่ตอนนี้เลยเริ่มตายตั้งแต่รู้เลยอย่างบางคนอยากรู้ว่านาคตนั่งสมาธิอยากรู้ว่านาคตนะอธิษฐานขอให้ได้รู้ได้เห็นว่าจะตายวันไหนให้รู้ได้เห็นนั่งไปเรื่อยๆนะเกิดรู้เกิดเห็นจริงๆนะส่วนเห็นถูกเห็นผิดไม่สําคัญหรอก รู้ว่าอีกเจ็ดวันจะตายเนะเริ่มตายตั้งแต่วันนี้แล้วหงอยอีกเดือนหนึ่งจะตายก็หงอยนะอีกอีกสามปีจะตายใจยังฝ่อเลยพวกเราถ้ารู้ว่าอีกสามปีจะตายใจจะรู้สึกไงจะรู้สึกไหมว่าเราจะเลิกทำบางอย่างเราจะต้องเริ่มทำบางอย่างเนี่ยเพราะอุ้ยจะตายแล้วอันนี้สำหรับคนมีสติปัญญา ถ้าคนชั่วๆก็อุ้ยต้องรีบเสร็จสุกให้เต็มที่เดี๋ยวจะตายแล้วทำชั่วให้เต็มที่เลยไม่ต้องกลัวไม่กลัวติดคุกตลอดชีวิตหรอกเพราะชีวิตสั้นจุดจู๋ทําอะไรก็ได้เลยเนี้เวลารู้รู้ไปไม่ใช่ดีนะรู้ไปไม่ค่อยจะดีหรอกอย่างมีคนถามชอบถามะว่าจะบรรลุมรรคผลไหมชาตินี้อะไรอย่างนี้ครูบอาจารย์ไม่ตอบแต่บางคนไม่ถามท่านตอบ ท่านบอกให้ท่านเห็นว่าไม่ประมาทแน่ท่านบอกให้ทําไมท่านไม่ตอบอย่างซึมาถามหลวงพ่อว่าชาตินี้จะได้โสดาไม่เกิดหลวงพ่อรู้ขึ้นมาจริงๆนะแล้วบอกบอกว่ามันไม่ได้หรอกมันก็เลิกปฏิบัติไปเลยไม่ได้สมคําที่อาจารย์บอกอาจารย์นี้ขลังท่านบอกว่าแนละ้วเป็นอย่างนี้จริงๆเลยเชื่อมั่นเลยอาจารย์องค์นี้ยอดเยี่ยมเลยความจริงถูกอาจารย์ฆ่าตายแล้วไม่รู้นะ อ, อาจารย์บอกได้แน่นอนโอ้ชีวิตนี้ได้แน่นอนเที่ยวเล่นก่อนเดี๋ยวมาทําแป๊บๆก็จะได้ละไปทําตอนใกล้าตายแล้วกาไรมากเพราะทำนิดเดียวก็จะต้องอยังไงเขต้องได้สุดท้ายก็ไม่ได้บอกตอนแก่ๆขึ้นมาอาจารย์ไม่ได้เรื่องสุดท้ายความผิดไปลงที่อาจารย์ <c oughs> อาจารย์ไม่บอกเราถ้าบอกเรานะไม่มีความดีอะไรขึ้นมาสักอย่างไม่ต้องรู้อนาคตนะ เอาปัจจุบันรูล้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆดูไปแล้วมีกรรมฐานเฉพาะของตัวเราบางคนก็รู้รูปเนี่ได้สมถะเช่นเห็นร่างกายให้ยใจออกร่างกายให้ยใจเข้าเห็นท้องพองท้องยุบเห็นร่างกายเดินอย่างนี้ได้สมถะดูจิตก็ได้ให้สมถะดูจิตไงให้เป็นสมถะที่คนส่วนใหญ่ดูนั่นแหละเป็นสมถะดูลงไปที่ตัวจิต เอาทุกคนดูจิตจ้องจ้องจ้องถูกจิตบ้างไม่ถูกจิตบ้างสมถตาทั้งหมดเลยจ้องเมื่อไหร่ก็สมถตาเมื่อนั้นดูจิตไงให้เป็นวิปัสสนาจิตตรงๆไม่มีอะไรให้ดูดูผ่านเจตสิกจิตที่มีความสุขกับจิตที่มีความทุกข์คนละดวงจิตที่มีความดีกับจิตที่มีความชั่วคนละดวงจิตที่มีความโลภกับจิตที่ไม่โลภ คนละดวงจิตที่โก yeah. รธกับจิตไม่โกรธคนละดวงจิตที่หลงกับจิตไม่หลงคนละดวงเห็นจิตแตกต่างออกไปอาศัยรูปผ่านเจตสิกจะเห็นในอจิตโกรธเกิดขึ้นจิตโกรธเกิดขึ้นพร้อมๆกับความโกรธแล้วจิตโกรธก็ดับไปพร้อมๆกับความโกรธก็ดับไปปุบจิตดวงต่อมาเป็นจิตไม่โกรธเป็นจิตมีสติมีปัญญาก็จะเห็นจิตดวงก่อนโกรธแล้วก็ดับไปแล้ว เมื่อกี่โกรธเอย่างนี้เดินปัญญาไ้ดูจิตนิ่งว่างๆอยู่นิ่งๆว่างๆเป็นสมถะงั้นรู้รูปนามเป็นสมถะนะพวกเราต้องแม่นๆรู้อารมณ์ปัญญาติคือเรื่องราวที่คิดเป็นสมถะรู้ตัวรูปนามตรงๆเนี่ยเป็นสมถะรู้นิพพานเป็นสมถะถ้าเห็นรูปนามเป็นไตรลักษณ์แสดงไตรลักษณ์เห็นนะรูปนามแสดงไตรลักษณ์นี่เป็นวิปัสสนา เราก็ดูเอาอย่างนิพพานเนี่ยพวกเราไม่สามารถเอามาทำสมถะได้คนที่เอานิพพานมาทำสมถะได้ต้องเป็นพรายรยบุคคลเคยเห็นนิพพานแล้วของเราจะได้แต่คิดถึงนิพพานคิดถึงนิพพานเป็นอารมณ์บัญญัติเรียกว่าอุปสมานุสติคิดถึงนิพพานเป็นอารมณ์บัญญัติไม่ใช่ตัวอารมณ์นิพพานอารมณ์นิพพานเนียอย่างเราจะรู้รูป เช่นเห็นร่างกายหายใจอยู่แล้วก็วางรูปสะจิตมันวางรูปปุ๊บมันย้อนมารู้จิตแล้วมันก็วางจิตส์มันวางทั้งรูปทั้งนามนะวางได้ถ้ามีปัญญาพอนะไม่จะไปเห็นนิพพานแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์นีไม่ต้องทําตรงนี้ถ้าเป็นโสดาสกัาคานาคานี่ไปเดินวิปัสสนาก่อนแล้วเข้าไปพักที่นิพพานนะเห็นรูปแนะ้ววางรูปเห็นนามแล้ววางนามต้องอาศัย ผ่านทางนี้ก่อนถ้าเป็นพระอรหันต์แค่มานาัสิการถึงพระนิพพานก็ถึงอยู่แล้วถึงอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วเพราจิตมันไม่จับรูปน้ำอยู่แล้วเองแต่บางครั้งออกมารู้รูปบางครั้งออมารู้นำ้ำศักว่ารู้ว่าเห็นไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพวกเราใช้นิพพานมาทําสมถั ก, ก็ไม่ได้นิพพ า, านธะทําไม่ได้อยู่แล้วเพราะนิพพานเที่ยงไปดูว่าเกิดดับไม่เกิดดับหรอกนิพพานก็เป็นสุขยี่ดูให้เป็นทุกข์ไม่เป็นหรอก แต่นิพพานเป็นอนัตตานี้เราก็ยังไม่รู้จักนิพพานนันนิพพานเป็นอนัตตารเราไปวาดภาพความว่างให้นมาความว่างเป็นอนัตตาอันนั้นไม่ใช่นิพพานไปนวาดภาพว่างๆเรียกอากาศสารนั่นจายตนะะไม่ใช่นิพพานไม่รู้จักหรอกเมื่อเป็นปุตุชนเราก็ไม่เราตัดเรื่องการใช้อารมณ์นิพพานทําสมถะออกไปไม่มีเราก็เหลือสองอาอารมณ์บัญญัติกับอารมณ์รูปนามถนัดอะไรเอานั้น ผลออกมาอย่างเดียวกันะผลออกมาอย่างเดียวกันยังเพ่งกระสินเนี่ยเพง่เพงไฟไฟเป็นรูปไหมไฟเป็นรูปนะีเพ่งรูปเพ่งรูปได้ชานเพง่เพงไฟนีได้ถึงชันนอะารมณ์บัญญัติคิดคิดคิดเนะาะยมากก็อุปจาระเนะี่ยระดับมันมีดีกรีกมันนะมันได้ไม่เท่ากันหรอกการรู้ลมหายใจนะ ลมเป็นรูปเนี่ยจ้องอยู่ที่ลมรูปดับรูปดับกลายเป็นแสงแล้วแสงเนี่ยเรากำหนดได้ยอดได้ขยายได้อันนี้ได้อุปจรารสมาธินห้เกิดองชานขึ้นมาครบได้ปฐมชานได้ใช้อนาปนสติก็ได้ชานที่สี่ได้ถึงชานสี่ถ้าเราใช้วิธีจเจริญเมตตาความเมตตาเมตตาเป็นรูปแล้วเป็นน้ำ หรือเป็นบัญญัติความรู้สึกเมตตาเป็นรูปหรือนามหรือบัญญัติจะมีสองอันนะเมตตาเป็นบัญญัติแต่เมตตาเป็นนามคงไม่เห็นเมตตาเป็นรูปเราเพี้ยนหนักนะ <c oughs> ความรู้สึกเมตตาเนี่ยเป็นนามคําบริกรรมเกี่ยวกับเมตตาเนี่ยเป็นบัญญัตออิถ้าบริกรรมไปเรื่อยๆได้อุปจาระแต่บริกรรมแล้วเกิดกระแสของเมตตาขึ้นมา จะเข้าอารูปฌานจนะเข้าถึงอรูปฌานได้ไม่ผ่านรูปด้วยไม่ต้องไปผ่านชานหนึ่งสอสามสี่เลยนะพาร์ตเข้าอารูปเลยก็ไดนะ้นี่เราต้องรู้จักเลือกนะเราทําได้แค่ไหนอเอาแคนะนะ่นั้นแหละทำกรรมฐานอะไรแล้วใจสงบ่็วันนั้นแนหะควรจะมีอยู่ของตัวเองสักอันหนึ่งอนะย่ามีหลายอันอย่างมากก็สักสองอัน สูงสุดไม่เกินสามมากกว่านั้นนะไม่มีความสงบเหลืออีกต่อไปแล้วสามก็เหลือฝืนแล้วนะอย่างมากก็สักสองเช่นพุโทโธกับหายใจด้วยกันอนะไรเงี้ยได้สองอันเดินด้วยพุโทโธด้วยหายใจด้วยประสาทกินนะอันะไม่สงบยิ่งฟุ้งหนังกว่าเก่าอีกนะไปดูนะควรจะมีเครื่องอยู่เฉพาะตัวของเราคล้ายๆมีบ้านเอาไว้นอนคนละหลังนะอย่ามีบ้านหลายหลังยุ่งมีหลังเดียวพอแล้ว มีหลายหลังต้องฝึกซ้อมทุกวันเลยวันนี้ซ้อมวันนี้วันนี้ซ้อมนี้ไม่ได้เรื่องหรอกนะให้เรามีเครื่องอยู่สักอย่างนะเป็นที่พักผ่อนส่วนการเจริญปัญญาก็สอนไม่เยอะแล้วก็ไปดูเอาจะเริ่มจากดูกายจะเริ่มจากเวทนาจะเริ่มจากดูสังขารจะดูความดีความชั่วอะไรก็ดูเอาเอาก็เอ า, า, เอาสักอย่างเดียวไม่ต้องเอาหลายอย่างนะเอาเผื่อเลือกสักอันหนึ่งก็ได้ ดูจิตไปถ้าเบื่อเนี่ยมาดูกายบ้างอย่างเงี้ยมีกายสักอย่างหนึ่งมีจิตสักอย่างหนึ่งอย่าให้เยอะเกินนั้นมากกว่านั้นจับจดมัวแต่ไปสนใจตัวอารมณ์ไม่ได้ไปดูเข้าไปทะลุเข้าไปเห็นใจลักเดี๋ยวก็จ ะ, จะเจริญวิปัสสนาด้วยตัวนี้เดี๋ยวก็ตัวนี้เดี๋ยวก็ตัวนี้มันมัสนใจไอ้ตัวนั้นตัวนี้ไม่ได้เห็นใจลักหรอกงั้นไม่เอาเยอะเอานี้หน่อยพอ มีรูปธรรมสักอย่างมีนามธรรมสักอย่างก็พอลนะทำไมควรจะมีอย่างละยันวันไหนดูจิตได้แล้วก็ดูจิตวันไหนดูจิตไม่ได้มาดูกายนะมีอย่างละอย่างแล้วก็มีที่พักอีกอันหนึ่งรวมแล้วมีที่ทำงานของเราอยู่สามัญนะมีจิตอันนึงดูจิตนะดูกายมีสมถะอีกอันนไปดูว่าถนัดอะไร จิตกดูได้วดิจิตพิสดามีเยอะแยะ ด, ดูจิตที่เกิดร่วมกับความสุขทุกข์ก็ได้จิตเกิดร่วมกับความดีความชั่วก็ได้หรือขี้โมโหเอาจิตโกรธนันเดียวก็ได้ขี้โลภเอาจิตโลภอนันเดียวก็ได้ะไปเลือกเอาอย่างบางคนนะไม่ค่อยโกรธใครเลยแต่จะเจริญจิตตาโุปัสสนาด้วยการดูความโกรธ ด, ดูดม <poetry> เมื่อไหร่จะโกรธวะเรียกไม่เจียมบอ ด, ดี้ <poetry> มันไม่มีเอาไว้ที่มันมี อะไรมันเยอะม็นเด่นนะเอาตัวนั้นอนะ่ะไม่ต้องเอาทุกตัวเอาทุกตัวล้งไม่เห็นไตรักหมวแต่เห็นตัวโน้นตัวนีนะ้ไปสำรวจตัวเองนะสำรวจตัวเองฟังคนอื่นน้อยลงหน่อยพิจารณานะด้วยหลักที่พุทธเจ้าสอนนี่แนหะเอาไปกินข้าวนี่หมดเลยครับ